َلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ اللَّهِ َمَنْ يَشْكُرْ لِ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا َمَنْ حَمِيدٌ كَفَرَ فَإِنَّ غَنِيٌّ และโดยแน่นอนเราได้ให้ฮิกมะมาแก่ลุกมานโดยกล่าวว่าจงขอบพระคุณต่ออัลลอฮเถิดและผูดด้ใดขอบคุณ แท้จริงเขาก็ขอบคุณตัวของเขาเองและผู้ใดปฏิเสธแท้จริงอะไรนั้นทรงพอเพียงและทรงได้รับการสรรเสริญและจงรำลึกถึงเมื่อลุกมานได้กล่าวแก่บุตรของเขาโดยสั่งสอนว่าโอ้ลูกเอ๋ย เจ้าอย่าได้ตั้งภาคีใดๆต่ออัลลอฮ์เพราะแท้จริงการตั้งภาคีต่ออลลอนั้นเป็นความผิดอย่างมหาศาลและเราได้สั่งเสียแก่มนุษย์เกี่ยวกับบิดามารดาของเขา โดยที่มารดาของเขาได้อุ้มคันด้วยความอ่อนเพลียครั้งแล้วครั้งเล่าและการหย่านมของเขาในระยะเวลาสองปีเจ้าจงขอบคุณข้าและบิดามารดาของเจ้ายัางค่าคือการกลับไปของเจ้า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 ََ م ِْْ ق َ ا ل َ حَبْتٍ مِنْ خَرْدَلٍ ف َ ت َ ك ُ م فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ ح َ ب ٍْ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُمْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ, الأرض يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ أ ل ُ و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 ي ق م ا ل ص, أ ص ذ م ذ من م โอลูกเอ๋ยเจ้าจงปฏิบัติละหมาดและจงใช้กันให้กระทำความดีและจงห้ามปรามกันให้ละเว้นความชั่ว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 และอย่าเดินไปบนแผ่นดินอย่างไร้มัญญาติแท้จริงอัลลอ์มิทรงชอบผู้หญิงจงหองและผู้คุยโวโอ้อวดทุกคนและเจ้าจงก้าวเท้าของเจ้าพอประมาณและจงลดเสียงของเจ้าลง แท้จริงเสียงที่น่าเกลียดยิ่งคือเสียงร้องของหล่า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 และปราศจากทางนำที่ถูกต้องและปราศจากคำพีแค่ทางสว่าและเมื่อได้มีการกล่าวแก่พวกเขาว่า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 และบุได้หนอบนอใบหน้าเขายัางเอาล้อโดยที่เขาเป็นผู้กระทมดีแน่นอนเขาได้ยึดห่วงอันมั่นคงไว้แล้วและบ้านปลายของกิจการทั้งหลายย่อมกลับไปหาเาลอ และบุ้ดปฏิเสธศรัทธาก็อย่าให้การปฏิเสธศรัทธาของเขาทำให้เจ้าเศร้าโศกเสีสยใจยและอย่างเรานั้นคือการกลับของพวกเขา แล้วเราจะบอกแก่พวกเขาในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้แท้จริงอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในซุน่มของเราเราได้เวลาพวกเขาสนุกสนานกันเพียงเล็กน้อยแล้วเราจะไล่ต้อนพวกเขาไปสู่การลงโทษที่รุนแรง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 แต่่าวาววพกเขส่่วนมมากไรู้ิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นสิทธิของอัลลอะ์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงพอเพียงจากสิ่งทั้งหลายผู้ทรงได้รับการสรรเสริ ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعه أبحر والبحر يمده من بعده سبعه أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ٌลَหากว่าต้ ط ไม้ทั้งหมดที่มีอยู่ในแผ่นดินเป็นปากกา และมหาสมุตรเป็นน้ำมึกมีสำรองไว้อีก7มหาสมุตรคำตรัสของอัลล่ะก็ยังจะไม่หมดสิ้นไปถ้าจริงอัลล่อนั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชายานมาขลักคุมวลาบ عث คุมอิลลาแคนฟสินวาฮิดาอินนัลลฮาสมีอมบ ص ีร การบังเกิดของพวกเจ้าและการฟื้นคืนชีพของพวกเจ้าม่ใช่อื่นใดนอกจากเสมือนชีวิตเดียวแท้จริงอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นัลัมตรันัลลัฮยูริจุลไลลัฟลนฮารวะยูริจุนนฮาริฟิัฟลไลลัวัซัฮรัลัชัม์ัสัลมรคุลัย์ัรีอัลาอัลัมัลัมมา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 เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าเรือนั้นแล่นไปในท้องทะเลเนื่องด้วยความโปรดปรานของอัลลอะ์เพื่อพระองค์จะให้พวกเจ้าได้เห็นสัญญาณต่างๆของพระองค์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 يا أيها الناس اتقوا ربكم وخشوا ا يوما لا يجزي و ا ل د ع ن و ل د ه ولا مولود هو جاز عوالده ن شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور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 แท้จริงอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้อย่างละเอียดที่ทวน